29. บรรลุเร็วขีดบรรลุช้าปฏิบัติง่ายขีดปฏิบัติยากเราสะสมอนุสัยสะสมกิเลสมาเยอะแต่ละพบแต่ละชาติสะสมแต่ความหลงผิดเกิดมาทีไรเราก็คิดว่ามีตัวมีตนมีศาสตร์มีคนมีเรามีเขาอะไรอย่างนี้สะสมแต่ความหลงผิดอย่างนี้มากว่าจะยอมรับความจริงได้กว่าจิตใจจะยอมจำนนกับข้อแทจจริงได้บางคนก็ใช้เวลา บางคนฝึกมามากแล้วก็ใช้เวลาน้อยหน่อยรวมแล้วก็คือใช้เวลาเยอะทุกคนนั่นแหละถ้ามันเยอะมาตั้งแต่ก่อนนะตอนนี้ก็สั้นหน่อยถ้าแต่ก่อนทำมาน้อยตอนนี้ก็ต้องทำหนักหน่อยอย่างพระพาหิยะสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเป็นคนที่ภาวนายากภาวนาจนกระทั่งตัวเองตายตายโดยที่ไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้มักผลอะไรหรอกแต่พอมาถึงาศาสดนี้กลายเป็นแชมป์ในด้านที่เร็วที่สุดคนที่เร็วที่สุด ถ้าเราดูเฉพาะปัจจุบันก็น่าอิดฉาเพราะเราดูไปไม่ถึงตอนที่ท่านปีนขึ้นภูเขาไปทำบันไดไต่ขึ้นเขาทีปบันไดทิ้งเลยถ้าไม่บรรลุมรรคผลนิพพานนะจนอดตายอยู่บนเขาแล้วตายจริงๆนี่ก่อนที่เขาจะง่ายเขายากมาแล้วหรือเราเห็นครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์ทุกองเลยพูดเหมือนๆกันการปฏิบัติมันง่ายง่ายนะง่ายนะ ส่วนมากท่านพูดมันง่ายนะง่ายนะสักพักหนึ่งท่านจะเงียบไปพักหนึ่งแล้วก็จะลำพึงมันก็ยากเหมือนกันแหละหลายองค์นะพูดอย่างนี้หลวงพ่อได้ยินมาเองผ่านไปแล้วก็บอกว่าง่ายง่ายนะทำไมพวกเราทำอะไรโง่อยู่อย่างนั้นอ้อมค้อมอยู่อย่างนั้นทำไมมัวแต่ปรุงแต่งทำไมไม่รู้ทันความปรุงแต่งจนเลิกปรุงแต่งนี่พูดประโยคสั้นๆนะฝึกกันหลายปีเลย พอาท่านนึกถึงตอนที่ท่านล้มลุกคลุกคลานมาท่านก็จะรำพึงรำพันเออ ม, มันก็ยากเหมือนกันแต่จะยากจะง่ายก็ต้องสู้มันคือการต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดสู้เพื่ออยู่รอดทำไมหลวงพ่อพูดว่าสู้เพื่ออยู่รอดถ้าเราไม่ต่อสู้นะเราต้องตายแล้วตายอีกต้องตายไม่รู้จักจบจากสิ้นถ้าสู้แล้วมีทางรอดครูบาอาจารย์แต่ละองค์กว่าจะสาเร็จขึ้นมายากนะเราไปเห็นท่านตอนท่านแก่ๆสบายดูมีความสุข ใจโปร่งโล่งสบายเราไม่เห็นตอนท่านลำบากแต่ละองค์แต่ละองค์ประเภทรอดตายมาบางองค์ถึงขนาดสอนนิพพานอยู่ฟากตายแต่ต้องสู้